มันก็ละมัชชริยะในวัตถุชิ้นนั้นมันไม่หวงเป้าหมายมันอย่างนี้ยอมฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อตัดโลภะได้มันถึงจะถอนมัชชริยะได้ซึ่งบอกว่าตันหาเกิดในวัตถุใดเห็นไ้ยก็สละวัตถุนั้นทิ้งเป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้คือทาลายเมืองตันหาให้หมดเสียถ้าตันหามันไปเกี่ยวข้องกับใครสละเลย ยอมวัน่น่าหวาดเสียวไหมเรื่องการตระเตรยมกุศลเนี่ยทีนี้ถ้าตันหาไปเกิดกับลูกปุ๊บทำลายเลยทำลายเมืองนั่นทิ้งก็สละทันทีเลยใช่ไหมสละก็เอางี้พระเขาทำอย่างไรเนีเอาพระนะพระได้อาหาร ด้วยตันหาได้จีวรมาปุ๊บไปรับในขณะนั้นยินดีปุ๊บด้วยตันหาท่านก็บอกเลยบอกว่าท่านทำลายเมืองตันหาทัานทีเลยท่านบอกว่าจีวรผืนนี้ไม่คู่ควรกับกระผมเพราะผมรับมาด้วยตันหารับมาด้วยความติดใจผมขอถวาย ท, าท่านทันทีเลยเนี่ย เขาเรกทำลายเสียทำลายความหวังมันเสียพอพอไอตัวตันหาถูกทําลายปุ๊บตัวมัชชริยะก็ก็ก็หมดเลยไม่รู้จะไปหวงอะไรมันหมดไปแล้วเนี่ยถูกทําลายแบบนี้ยมฉั้นถ้ายินดีในรูปใดให้ตัดรูปนั้นเสตัดรูปนั้นเลยก็คือละนั่นเองฮะ ละความยินดีละความยินดีละฉันทราคะคือความยินดีในในในรูปถ้าบุคคลก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสใช่ั้ยอะไรมันประทับใจเราสังเกตที่สีใช่ไหมประทับใจหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือรส นี้ก็ก็สรุปก็คือธรรมร ม, รรมใช่ไมธรรมรมการเล่นการหัวการดีใจเราต้องฝึกทาลายตัวนี้บ่อยๆฝึกทาลายว่า<ด>ใช่ไหมกรณีที่ว่าจิตที่ฝึกดูที่ว่ากรณีที่เขากาลังเล่นเนี่ก็เล่นด้วยจิตอะไร<ด>เขาเล่นด้วยโลภะเราทำไมไปยินดีโลภะล้ว เขาเล่นได้โทสะทำไมไปยินดีโทสะเขาเล่นโมหะทำไมไปยินดีโมหะเขาใช่ไหมหรือว่าเขาเกิดความฉลาดปราดเปรืองขึ้นําทำไมไปยินดีทามาลมกาวคือความฉลาดนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นน่ยแล้วมันเป็นอกุศลกรรมเราก็ไปยินดีและเป็นกุศลกรรมใช่ไหมกุศลกรรมก็เป็นกุศลเจตนาใช่ไหม กุศลเจรานาให้ให้สังขารไอสังขารเป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารก็ให้วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็ให้นามรูปนามรูปก็ให้ภาษาภาษาให้อายุธนะก็ทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาคล้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์อีกเราก็มายินดีอยู่กับพวกนี้แหละจะมีอะไรเนี่ยก็คือสีใช่ไหมพ่อก็คือสีคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผักผลคือธรรมอารมณ์ แม่ก็คือสีเสียงกินรสผลิตภัณฑ์และทำรมณ์เพราะเราให้ทานเพราะการยึดติดเพราะการสละติดนี่แหละผลของทานเลยต้องมานั่งเฝ้าทรัพย์อยู่เนี้ยว่างั้นนะนี่ไงเราให้ทานไม่สะอาดไม่หมดจดว่างั้นเพราะเราให้การด้วยการยึดติดต่อไปเราจะให้แบบสละขาดผลของทานแล้วเราน้อมถวายพุทธบูชาปรารถนาความสิ้นทุกเสียสร้างเหตุปัจจุบันให้ชัดเราจะได้ไม่เป็นปู่โสมเฝ้าซัพย์ดีไหม คิอย่างนี้ดีไหมเนี่ยมันก็ชัดเลยเนี่ยตั้งหลักให้ถูกตั้งหลักให้ถูกเพราะจริงๆที่เรายินดีทั้งหมดไม่มีอะไรนะไม่มีมันก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลม้มมันคือสภาวธรรมมันคือปรมัตาธรรมที่เราเรียนกันนี่แหละไม่ใช่สัตว์บุคคลนี่เราไปบัญญัติเป็นลูกซะนี่เราไปบัญญัติเป็นลูกไม่ต่างอะไรกันกันเนี่ยยอมวรรณะกับลูกชายลูกสายลูกสาวลูกชายก็คือเนี่ยสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาลม้มแต่สัญญาเราไม่จํา เราไม่จำว่าท่านทูนี้เป็นลูกไงไปจำคนนั้นเป็นลูกเขาให้มันก็เลยยึดเพราะเราสร้างเหตุปัจจัยมาเพื่อจะยึดรัพยึดรับเขามันรับใช่ไหมเพราะถ้าเรามองเป็นวัตถุทานที่บอกว่าไงเป็นวัตถุที่ควรให้ควรสละควรสละแล้วก็ตั้งไว้ควรสละเนี่ยตั้งหลักไว้ควรสละ คือไม่ควรติดข้องก็คือทำลายมันจะทำลายโลภะทุกครั้งอโลภะก็มาเป็นประธานในวัตถุเหล่านั้นเมื่อโลภะเป็นประธานก็มหากุุลนั่นแหละเกิด เ, เราทำดีกับเขาไม่ทำแต่ทำแบบโลภะเจตนาเราทำได้ดีกว่าเดิมด้วยเราก็ทำแบบจารีศีลไงในฐานะเป็นแม่ในฐานะเป็นป้าในฐานะเป็นยายเป็นยายเนี่ยก็ทำจารีศีลเดินกุสรศีลเดินทาไม ก็ฝึกจากทานในกุศลใช่ไหมก็น้อมไปสู่ศีลกุศลที่เป็นเจตนาที่เป็นศีลใช่ไหมแล้วก็มีความว่ามีความรักความปรารถนาดีใช่ไหมแต่ว่าอะไรเขามาด้วยกรรมของเขาไหมล่ะมาด้วยกรรมของเขาที่มาเกี่ยวข้องกันในฐานะมาอยู่ในฐานะเป็นลูกเนี่ยก็คือลูกนั่นแหละเราก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยความฐานะความเป็นลูกโดยสมมุติบัญญัติแต่โดยสภาวธรรมจริงๆแล้วเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยขันห้าเนี้ยมาจากกุศลเจตนากรรมกุศลเจตนากรรมเหล่านั้นเป็นปุญญาภิสังขารมาจากอาวิชาก็ยกไว้ก่อนเนาะยกไว้ก่อนแต่จริงๆก็คือมาจากกุศลเจตนากุศลเจตนาก็ทําให้ได้วิญญาณ น, นามรูปใช่ไหมก็จริงก็ก็หน้าข้าก็มาได้เนี่ยอายตนะก็เขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีขันห้านั่นเองใช่ไหมมีนามรูปก็มีขันห้า ทีนี้พอมีขันห้าเกิดขึ้นมาแล้วเบ็เสร็จเนี่ยตอนนี้เราก็เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปก็เราก็ต้องไปเห็นเนี่เห็นรูปเห็นสีเห็นสเนสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์มันก็มันไม่ใช่มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธทำอารมณ์อันเดียวนี่มีทั้งหลายสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ใช่ไหมแล้วก็มาแยกดูที่อ๋อนี่ก็เกิดจากกรรมนี่ก็เกิดจากกรรมนี่ก็เกิดจากกรรมใช่ไหมแล้วก็มาพิจารณาดูเที่ดูวิบากที่ วิบากที่ได้อะก็คือจักคูวิญญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชีวหาวิญญาณกายยวิญญาณใช่ไหมก็คือวิบากเหล่านี้แหละมันก็รับสีเสียงกินรสสัมผัสและทมอารมณ์แต่ชาวนะต่างหากที่ไปยึดมันตัวโยมตุ้มที่ไหนละตัวชาวนะที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากโยนิโสและอโยนิสนั่นแหละถ้าอโยนิโสเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าลูกเราหลานเราแต่ถ้าโยนิโสมป็นเทการเกิดขึ้นมันก็เห็นด้วยความเป็น สีเสียงกินรสสัมผัสและธรรมารมไม่มีอะไรหรอกแต่ก็โดยสมมุติบัญญัติมันต้องทำหน้าที่แต่เราทำโดยฐานะเป็นจารีศีลเราเป็นเราเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าอะไรเราเข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยแล้วที่เราทำอย่างนี้เพราะเราทำเป็นเราปฏิบัติน่เรากาลังอบรมศีลอบรมกายอบรมศีลอยู่ใช่ไถ้าเป็นจารีตก็อบรมกาย ถ้าเป็นวารีก็อบรมศรีลใช่ไหมเราอบรมศรีลบอกเอาพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกอย่างไรปฏิบัติต่อบุตรหลานอย่างไรลูกปฏิบัติต่อแมอ่ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบทํากิจดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ทํากิจแล้วทํากิจอย่างนี้อยู่แต่ทําด้วยจารีตที่เป็นไปกับกุศลและเจตนาศีลไหมเป็นเจตนาศีลเราคิดยังไงเราคิดก็คือ วัตถุชิ้นนี้บุคคลคนนี้ใช่ไหมเราไม่ฆ่าเพราะเราอะไรลราปาลบอะไรเราให้ชีวิตเขาเราให้ชีวิตเขาเป็นมหาทานนะเนี่ยที่เราคิดอย่างเงี้ยเราให้ชีวิตเขาให้ความปลอดภัยในชีวิตด้วยในทรัพย์สินด้วยเห็นไหมมันถ้าเราน้อมอย่างนี้สิให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สิน ให้ความปลอดภัยในการที่ไม่พลากให้ความปลอดภัยในการให้คําสัตย์คําจริงให้คำไพเราะอ่อนหวานให้ความไม่แตกแยกใช่ไหมให้คําไม่เพ้อเจ้อให้อัดถาให้ธรรมะแก่เขาให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธให้ปัญญากุศลกรรมบทมันเดินไหมล่ะนี่ไงมหาทานมันเกิดนี่กุศลศีลก็เป็นวารีตะจากทานนะใช่ไหมการฝึกจิตเพราะการให้วัตถุสิ่งของเนี่ย มันน้อมมาให้อะไรานามรรมาทำให้ไประดับศีลแล้วแต่เนี้ยมันพัฒนาไหมแต่เนี้ยกลับไปแล้วก็อ๊ย้ยเราเป็นสาวิกะเราเป็นอุบาสกบาสิกาของพระผู้มีพระเจ้าเรานั่งใกล้ชิดพระราตนตรัยพระศ า, ศาสดาก็สอนเราตลอดสิเพราะเราก็เป็นผู้ป่วยใช่ไหมเราก็ต้องเสียบสายน้ําเกลือไว้ mm hmm. ก็คือพระธรรมต้องไหลในใจตลอดเข้าใจป่า mm hmm. เราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกอย่าไปถอดสายน้ําเกลือทิ้งอย่างเนี้ย อันนี้เราแอบถอสายน้ำเกลือทิ้งก็มาลูกเล้าลูกเล้าก็กลัวอยู่นี่แหละเข้าใจไหมพระธรรมก็ไม่ไหลสู่ใจพอจะคิดออกไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเขาคิดอย่างนี้กลัวแล้วเกินที่จะทิ้งกลัวจะทิ้งใช่ไหมที่ที่สุดก็เอาไว้ไม่อยู่หรอกใช่ไหมก็ผลของกรรมใช่ไหม เราจะเฝ้าได้ไงก็เฝ้าไม่อยู่จะเฝ้าอยู่ได้ไงแต่ถ้าเราตั้งท่าทีวิธีคิดอย่างเงี้ยได้ทั้งทานได้ทั้งศีลแล้วก็ได้ทั้งภาวนาต่อไปได้ทั้งภาวนานี่สติปัฏฐาน <c oughs> นีส่สติปัฏฐานใ ช, ใช้ปฏิบัติไหมแบบเนี้ย นี่แหละปฏิบัติเลยแหละเนี่ยให้กุศลเกิดขนาดนี้แล้วไม่ปฏิบัติได้ยังไง <laughs> หลักสูตรปฏิบัติต <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่วางไม่วางวิธีคิดอย่างเงี้ยมันก็ตั้งหลักไม่ถูกใช่ไหมแล้ ว, แ ล, วแล้วเมื่อไหร่กุศลมันจะเกิด แล้วปริมาณเม็ดบุญที่เกิดจากทานะกุศลศีลกุศลเหล่านี้ไม่เกิดไม่เกิดเลยแล้วสมถาวิปัสนาจะไปตั้งตรงไหนจะมีที่ตั้งไหมเนี่ยใครไประดมกุศลให้เกิดได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยบ้างไม่ได้แล้วมันจะต้องคิดเป็นด้วยนะถ้าคิดไม่เป็นมันก็ปริมาณกุศลก็เกิดได้ไม่ยาวหรอก นิดเดียวก็หกขมเรนล้มนิดเดียวก็หกขมเมนล้มใช่ไหมมันก็ลม้มนี่เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าปริมาณของกุศลทำที่ได้รับอนุญาตจากทานกุศลให้เกิดขึ้นก็อะโลภาไงฉนั้นถึงบอกว่าต้องทําลายที่ตั้งแล้วก็เปลี่ยนนิมิตเสียไอ้นิมิตความเป็นโลกน่งมันยึดติดแล้วก็เปลี่ยนนิมิตเสียว่าเขามาจากกรรม มาเกี่ยวข้องในฐานะเป็นลูกยอมรับไม่ยอมไม่ยอมได้ยังไงแล้วก็นามสกุลเดียวกันอยู่เนี่ยใช่ไหมก็เกี่ยวข้องเรียกแม่เรียกพ่อเรียกลูกกันอยู่เนี่ยนะก็คือเนี่ยยอมรับแล้วโดยฐานะนั้นแต่ไม่ต้องไปย้ำํำยายตันหามันเกิดใช่ไหมบางคนก็เรียกทุกวันกลัวเหลือเกินก็ต้องบอกว่าเรียกอะไรกันนะกันหนาะเรียกแล้วตันหามันกินใช่ไหม ตัณหามันคุ้นเคยอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมอย่าลืมเนี่ยนที่บอบอกวิธีแบบเนี้ยตัณหามันเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเผลอๆไปเจริญตัณหาอีกทั้งๆที่พปธรรมะที่ควรละเนี่ยตัณหาเนี่ยมันเรียนรู้เร็วมากเร็วมากปัญญารู้อะไรมันแอบสกิดรู้นั่นแหละน่ะเข้าก็มารู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่พัฒนาอีกกระแสจิตเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยอันดักซ้ายดักขวากันองเงี้ยนต้องระวัง ต้องเราตัณหานี่เป็นแบบนี้มันเรียนรู้เร็วมากเรื่องโลกียธรรมเนี่ยง่ายมากสําหรับมันมันคล่องมากก็เป็นอารามนาปะปัจจัยแกตัณหาหมดเลยใช่ไหมโลกียธรรมงั้นรักแ ค, แค่คิดแค่นี้มันแอบยิ้มมัวร่แล้วบางทีเจ้าไปคืออย่างนี้อมาเนี่ยไปนั่งสลดใจนั่งคุยกันกันกบพระคุยไปคุยมาแล้วเขาแล้วดําหลียังไง ร, รู้ไหม ไม่รู้ก็คือแงบนี้แล้วคือพยายามระดมสองปีสามปีมาเนี้ยมาระดมมาที่พยายามจะตั้งใจอะปรารถนายเขาคิดให้เป็นจเจริญกุศลให้เป็นแต่พอระดมไประดมมาไปเสร็จมันมันดูแล้วมันเราสื่อเขาไม่เป็นยังไงไม่รู้แล้ว ดูเหมือนจะฟังเข้าใจแต่เขาก็คิดเดินไม่ได้กันอยู่เนี่ยเนี่ยก็มานั่งคิดแล้วเขาจะเป็นยังไงนยมาก็คุยคุยคุยคุยกับพระคุยไปคุยมามีพระองค์หนึ่งท่านนั่งร้องไห้ท่านสงสารญาติท่านถามว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตของเขาจะลำบากเนี่เขารู้ไหมแล้วเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะคิดให้ถูกใช่ไหมญาติทั้งหลายต่าง แต่เขาก็คิดไม่ถูกเขาก็พยายามจะทำแต่มันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งอยู่เลยเพราะกุศลเนี่ยมันต้องได้มันต้องเข้าใจจริงๆเี่ยมันถึงจะเดินเป็นใช่ไหม mm hmm. เขาก็เดินได้ไม่ยาวแล้วก็เดินไม่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะคุยคล่องมากคุยได้คล่องมากถ้าให้เขาคุยเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยนะที่ไม่เกี่ยวกับบุญเนี่ยนะเขาคุยคล่องเลยอะ่ะแต่นี้เอาเอ า, เอาผ้าให้เนี่นะเอาผ้าเอาอาหาร เอาคุณลองคิดที่ให้เป็นทานเอาพูดมาจะถวายทานถวายรูปเป็นทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไงเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเอาธรรมอารมน้อมถวายให้เขาพูดให้เขาพูดออกมาพูดไม่ได้อธิบายทีละคำทีละคำเอาพูดเอาไม่ได้แต่คุยเรื่องอื่นคล่องแต่คุยเรื่องนี้ไม่คล่อง คุยไม่ออกโอ้โหนี่อันนี้หนักแล้วเนะนี่ยเราก็นึกเลยว่าจะทํำยัำยงไงเพียนพยายามเขาจะไปเรื่องอื่นเลย<ม>บอกโอ้ยถ้าเรื่องอื่นนี้ยไปเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้มันอึดอัดเขาขึ้นมาเลย<ม>เขาจะนึกยังไงเนี่ยเอาให้วาน้ำให้หน่อยทีแล้วก็น้ําน้ําก็เลยเป็นพิธีน้ากันด้วยวันเนี้ยน้ํา อาสวัค ว, ยวายาวางนิพพานนปัจยโยโหตสุสาทุสาทุคุยแล้วอื่นกันลืมหมดเลยแล้วเขาจะไปยังไงชีวิตเขาจะไปยังไงใช่ไหมแล้วก็มามองดูทีนี้เราก็พยายามจะระดมตั้งชมลมเผยแผ่เพื่อจะช่วยกันยรบั แต่ก็ยังมีมุมเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีมุมมีมุ ม, มคิดยังมีมุมคิดมีมุมวิจัยแต่บางคนไม่มีมุมเลยนะไม่รู้จะคิดยังไงแล้วความคิดเป็นโลภโทัสะแวดล้อมเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆงก็ใช่ก็มาทํากันเนี่ยในขณะทําไปก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าในขณะที่เขาทําบุญนะมันตามแวดล้อมได้บาปถ้าเขาเดือดร้อนไง บุเหล่านี้ให้ผลเขาเนี่ยมีกําลังอ่อนแล้วก็รู้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงคือเรารู้เรารู้เหตุมันก็ต้องไหมเหตุที่ทำปุ๊บมันก็ทำมันก็เห็นผลในอนาคตว่าเขาจะต้องเดือดร้อนก็จะต้องลําบากเขาจะต้องทรมานก็คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระบระมศาสดาเนี่ยเพียรพยายามมาเนี่ยเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตเนี่ยพอพระธรรมคำสอนของพระศาสดาก็ยังมีไหลอ ย, อยู่ยังขนาดนี้อย่างเงี้ยท่าในการต่อไปนั้นอะไรจะเกิดขึ้น แม้ในปัจจุบันนี้คนที่เกี่ยวข้องเราในฐานะเป็นญาติมิตรทั้งหลายเหล่าเนี้ต่างฝ่ายต่างเขาก็ไม่รู้เลยว่าจิตที่เป็นสมณะเป็นบุญจิตที่เป็นสมนณะที่เป็นโลภะนี่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมทําเบ็ดเสร็จบางทีก็ขัดแย้งกันในที่ประทับนั้นแหละอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บุญที่มีอกุศลแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเขาจะเบียดเบียนเขาจะให้โทษเขาอย่างไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทราบกันไง เพราะสติของเขาก็เลื่อนลอยกันเยอะแยะเบียดเสร็จเลยบางทีกําลังอธิษฐานกันอยู่ดีๆอ้าวเสียงว่ากันมันก็มาแล้วบางทีเนี่ยนะก็เป็นอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเนี่ยเนยมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เดือดร้อนเงี้ยเราก็ไปอยู่ในในอย่างนั้นนะ่ะแวดวงอย่างนั้นน่ะเราก็อยู่ในแวดวงอย่างนั้นนั่นแหคือปัญหา <c oughs> มันก็เลยมองเห็นว่าโอ้โหตอนเนี้ยแล้วจะแล้วก็เอ๊ะเราจะพูดยังไง เราจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจใช่ไหมก็นั่งมาคิดเาจะจะอธิบายยังไงจะนำเสน อ, อยังไงเอาวิธีไหนคำไหนอย่างไรก็เอามาหามุมอย่างนงี้ก็มามาพิพพจรารณามันก็เกี่ยวข้องรอบๆบเราทั้งนั้นใช่ไหมตรงนี้อามีใครจะถามอะไรอีก ตรงนี้เขาเรียกทำ ท, ทำที่ทำที่ทานกุศลอนุญาตนี่นะก็ได้แก่อโลภะอบปาเทตับพระธรรมะก็คือทำที่ทานกุศลทําให้เกิดขึ้นอันนั้นเป็นมรรคต่ําผลต่ำสามนี้มุ่งหมายอํานาจทานกุศลที่เป็นอุปธรรมเพราะกสติตรงนี้เขาบอกว่าในชั้นของคําสอนในชั้นของคําสอนก็คือว่า ในสุดจริงๆทานกุศลต่างๆเราเนี้ยที่จะเป็นจิตตปริขาลังเป็นต้นเราเนี้ยนะที่ในในคำสอนตรงนี้ที่ท่านกล่าวก็ไว้ในในชั้นขออัตถกาถาที่ท่านขยายไว้อะที่เป็นปริขาละเนี่ยเป็นบริคารอย่างจิตเป็นต้นเราเนี้ยนะอันนี้ท่านขับเน้นเกี่ยวในเรื่องของคําว่าจิตตรังกาละจิตตปริขาละลังเนี่ยนะบุคคลให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับ และเพื่อเป็นบริวารของจิตในสมถะและวิปัสสนาตรงนี้ก็คือว่าก็คือการฝึกจิตนั่นเองการฝึกจิตที่ยังไม่เคยฝึกก็ชื่อว่าทานเป็นต้นดังกล่าวทีนี้ตรงเนี้ยกรณีอย่างนี้จะมองให้เห็นว่าจะจะได้เห็นว่ากรณีของทานอากุศลเนี่ยขับเน้นตัวเจตนาดังกล่าวแล้วก็ทานอากุศลนะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตัวโอโลภาท่นจะมีกาลังมากๆ เวลาเราไปศึกษาเกี่ยวในเรื่องของทานทั้งหลายในรายละเอียดทั้งอ่อมาังไม่ตามลงไปตรงนั้นถ้าอยู่ในชั้นของตัวกุศลศีลตัวกุศลศีลที่บอกว่าในคำสอนเนี่ยนะในชั้นของตัวกุศลศีลเนี่ยอันนั้นก็หมายถึงตัวพวกไอ้วิรตีทั้งหลาย ท่านถึงเรียกว่าเป็นมหาทานมาทานในที่นั้นก็คือว่าที่ท่านกล่าวถึงบอกว่าพระอริยาสาวกเว้นแล้วจักปานาติบาทย่อมให้อาภายัยแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ไอ้ตรงนั้นนี่ยนี้แหละที่คิดค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดปริมาณต้องตั้งยากนิดนึงก็คือกรณีที่ว่าเอ๊ะเราให้อาภายัยแกสัตว์ได้ยังไงเออเราไปให้ชีวิตเขาเนี่ย ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปคิดค่าทำไมต้องไปคิดอย่างนั้นไวการคิดในลักษณะเนี้ยเป็นการป้องกันไว้หมดเลยแล้วเป็นการให้เลยเนะี่ยผลนะ่มีหาประมาณไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นการทำให้มหาทานของเราเนะ่เดินแล้วก็เกิดขึ้นมหาทานที่เป็นกุศลตรงเนี้ยนะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นข้อที่อริยาสาวกท่านท่านได้กระทำก็ไวตรงเนี้ยเนะี่ย เนี่ยที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยอริยาสาวกผู้งดเว้นจากปานานติบาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้คันให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยมีส่วนแห่งความไม่มีเวรมีควาส่วนแห่งความไม่เบียดเบียนหาประมาณไม่ได้ภิกษูทั้งหลายนี้เป็นมหาทานข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นมหาทานนะ อันนี้ควหมายความบัณฑิตเนี่ยรู้ว่าเป็นของเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายเป็นของเก่าไม่ถูกทอดทิ้งแล้วไม่เคยถูกทอดทิ้งแล้วอันบัณฑิตไม่ทอดทิ้งอยู่จักไม่ทอดทิ้งทั้งอดีตก็เป็นอย่างนี้และปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แม้อนาคตก็เป็นอย่างนี้อันสมณพราหมณ์ผู้เป็นวินยูชนไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายนี่เป็นห่วงบุญห่วงกุศลนําสุขมาให้ให้อารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนา น่าใครหน้าพอใจเพื่อ ก, กล้วกลืนเพื่อความสุขอันนี้ประการที่หนึ่งอันนี้ปุญญาพิสันทสูตรเนี่ยนะว่าโดยห่วงบุญอันนี้ท่านพูดถึงเป็นเหมือนแม่น้ำเลยนะเหมือนโรงงานผลิตบุญเลยนะถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใช่ไหมและเนี่ยลองคิดดูที่เนี่ยเราเห็นแต่ละชีวิตเนี่ยเราน้อมจิตเป็นไปเพื่อการไม่ฆ่าได้หมดเลยแต่ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานนอกนั้นก็ แวดล้อมได้หมดเลยมะมทีนี้จะชำนาญทุกทุกชีวิตไหมเราจะให้ความปลอดภัยทุกชีวิตให้ความไม่เบียดเบียนได้ในทุกชีวิตและให้หนึ่งชีวิตน่ะกระทบไปอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านชีวิตการคิดการไข้ควรในลักษณะอย่างเนี้ยเราเห็นบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าใช่ไหม เป็นเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าตัววิรติก็มาทากิจที่งดเว้นเลยในขณะนั้นใช่ไหก็ตัดเวลาเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าได้เป็นการที่จะผลิตบุญให้เกิดขึ้นจากข้องดเว้นจากปนานาติบาได้เป็นมหาทานทีนี้ทำมาพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือว่ามหาทานที่อีกข้อหนึ่งก็คือว่า เป็นผู้งดเว้นจากอธินาทานไม้มงดเว้นจากอธินาทานก็หมายความว่าให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความไม่สะดุ้งสะดุกลัวต่อเขาให้เกิดขึ้นก็พิจารณาให้เกิดขึ้นใช่ไหมจิตใจที่น้อมไปในลักษณะที่ว่ามีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อกรำและผลของกำไงแล้วเราคิดดูเลยแต่ละชีวิตเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมของเขาอยู่แล้วใช่ไหมเขามาด้วยกรำของเขาใช่ไหม ทรัพย์สมบัติของเขาก็จงเป็นของใครกองเขาไม่ทรัพย์สมบัติของเขาจงเป็นของเราหนึ่งล้มละไปล <c oughs> อเห็นปุ๊บขึ้นมาก็เริ่มพูดเรียบเคียงได้นะเป็นพระเนี่ยใช่ไห ม, มเป็นพระเนี่ยถ้าเอาที่ถ้ามาไม่มีข้อเนี้มาพูดเรียบเคียงอะ่ะเออเผื่อที่จะได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็พูดเรียบเคียงไปเรื่อยๆพูดนะบริจาคนะทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่ใช่ต้องการ เอาแต่ต้องกายไหมแต่ว่าอามาก็ต้องป้องกันแล้วตัวเองแล้วอามาก็ได้ข้อนี้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินใช่ไหมในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินงดเว้นจากอธินาทานเนั้นปริมาณห่วงบุญห่วงกุศลมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นมหาทานเป็นมหาทาน ทรัพย์ของเขาก็จงเป็นของเขาก็ขอให้เขานั้นน่ะใช่ให้เขามาด้วยกรรมมาด้วยการกระทําของเขามาด้วยบุญของเขาก็จงเป็นของเขาให้เขามีความสุขให้เขามีความผาสุกในทรัพย์สมบัติในบริวารในในญาติมิตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นเราจะไม่ไปแย่งไปลกักไปขโมยนะไปช่อกงทรัพย์สมบัติของเขาเหล่านั้นมาเป็นของเราใช่ไหมเจิตที่เราน้อมไปในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่งขันห้า ที่เราจะไม่เกี่ยวข้องในคนคนหนึ่งเขามีทรัพย์สินมีบริวารัองเขาเขาก็มีมากมายใช่ไหมซึ่งเราไม่ไปภาคไปดึงออกมาเนี่ยหรือไปใช้วาจาในการที่จะโอโลมปฏิโลมอะไรทั้งหลายเหล่านี้ที่จะเป็นเหตุแห่งการที่จะน้อมออกมาโดยผิดทางทั้งหลายเหล่านี้เนืการลักษณะนี้ชื่อว่าเราให้เรนะนะาเนี่ยมหาทานมันเกิอดอย่างนี้ ถามว่าถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวกุศลและศีลมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมแล้วมันสามารถจะเป็นอารมณ์อารมณ์ปัจจัยได้ตลอดไหมเป็นได้ตลอดเนี่ยและในข้อของกาเมสุมิชาจารยลองคิดดูที่ลองให้คิดทีจะออกมาเป็นช่องได้ไหมอ๋อันนี้ไป็นใจของเราเราคิดได้แค่นี้นยนะอันนี้มันสั้นไปนะเนี่ย ทั้นหาไม่คิดเร็วมากกว่า น, นั้นเราไม่พอปัญญาออกมามาทำคิดแค่นี้เห็นไหมปัญญามันต้องสามารถออกมาวิจัยพิจารณาได้ว่าบุตรภรรยาของท่านผู้ใดใช่ไหมก็เกี่ยวข้องแล้วก็ควรเป็นของท่านบุคคลเหล่านั้นเราจะไม่ทําให้เขานั้นเกิดการแตกแยกเราจะไม่ไปพลากของเขามาไปช่วงชิงออกมาด้วยการกระทําใดๆเลย แล้วก็ยังน้อมเป็นเมตตาด้วยนะปราถนาให้เขาเป็นอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกใช่ไมมีความสงบมีความร่มเย็นนั้นนันฉะนั้นการน้อมจิตการอาทิตย์ฝึกไปในลักษณะนี้ เ, เราน้อมในการที่จะให้คำอ่อนหวานให้คำสัตว์คำจริงได้ไหมน้อมได้ไหมตั้งเจตนาก่อนว่าเราจะให้คำสัตว์คำจริงใช่มเราจะไม่พูดเท็จใช่ไหม และเราก็จะพูดคำไม่ส่อเสียดไม่ให้เขาแตกเล้ากันจะพูดคำสมัครสมานสามคัคคีจะพูดวาจาไพเราะเราจะให้อะเราจะให้วาจาที่ไพเราะใช่ไหมเราคิดให้แบบนี้ตลอดไหมให้ชีวิตใช่ไหมให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ป่ะให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วให้อะไรต่อ ใ ห, ให้คไม่ให้ความไม่ให้เขาแตกแยกจากคู่ครองให้คำจริงไม่กล่าวคำเท็จจะให้เขาใช่ไหให้ความสมัครสมานสามคัคคีใช่ไหมให้วาจาอ่อนหวานให้อัตถธรรมะจะไม่พูดเพ้อเจอ้อจะไม่พูดนอกเรื่องกับเขาว่า้งั้นเถอะ เวลาจะพูดแต่ละทีก็พูดวาจาที่เป็นไปอิงอัดอิงธรรมะแล้วก็จกไม่โลภต่อวัตถุสิ่งของนี้หรือกับบุคคลคนนี้จกไม่โกรธแล้วก็จกให้ปัญญาเขาใช่ไหมให้ความไม่โลภให้ความไม่โกรธแล้วก็ให้ปัญญาให้ความเห็นถูกอย่างนี้กะแปลกุศลกรรมอวบสบจะเดินแล้วจะเดินใช่ไหมล้วจะใช้ตัวมหากุศลดวงไหนประเภทไหนเกิดขึ้น ก็ก็ฝึกให้เกิดฝึกให้เกิดขึ้นมณสิการให้เกิดขึ้นใคร่ครัวให้เกิดขึ้นถ้าทําได้อย่างเงี้ยอันนี้ไปแล้วเขาไปไกลแล้วไประดับคุโศรศีนเป็นมหาฐานแล้วในจิตที่โอนอ่อนแล้วออกมีการจนอ่อนโยนฝึกได้จนขนาดเนี้ยคู่ควรต่อเป็นบริขารของสมถะและวิปัสนาถ้าฝึกได้จนคล่องแคล่วนะ ถ้าตรงนี้ไม่เดินแล้วสมถาวิปัสสนามันไม่คล่องมันจะคล่องอยังไงก็เดี๋ยวนี้ยโลภะมันออกแรงทุกวันมันเป็นปัจจัยใก่การพูดเป็นปัจจัยแก่การกระทําเป็นปัจจัยแก่การคิดโทสะโมหะมันก็ออกแรงเป็นเหตุแห่งการทํำกานพูดการคิดการสอนการพูดการจาทั้งหลายที่พูดกันคล่องๆทั้งหลายเนี่ยโดยมากไม่ใช่กุศลเราทําทําไมมันเบียดเบียนตัวเราเอง แล้วมันจะทําทให้ตนเองเดือดร้อนในอนาคตต้องกรุณาตนเองใช่ไหมต้องต้องกล่าวต้องแสดงออกนั้นเพื่อเป็นพุทธบูชาเราเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาใกล้ชิดพระศาสดาพระธรรมของพระศาสดาต้องไหลลาดลดจิตใจตลอดนช่ไหมอย่าไปประทุสล้ายตัวเองด้วยคําพูดด้วยการกระทําและเราก็ให้เขาสละสิ สระคำพูดที่อ่อนหวานคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำพูดที่ให้ความสมัครสมานสามคัคคีให้คำวาจาที่ไพเราะให้อัตถะให้ธรรมะจะไม่กล่าวเพ่อเจอดูใจที่เป็นไปว่าโลภไหมที่กล่าวนั้นนะ่ะโกรธไหมให้ความไม่โให้เมตตากับเขาให้ความเห็นที่ถูกใช่ไหมว่ามันเป็นกรรมเป็นผลของกรรมการคิดการพูดแต่ละครั้งต่างๆเหล่านี้ การน้อมใจเป็นไปในรักเนี้ยกุศลศีลมันก็เดินอย่างเงี้ยแล้วมันจะคล่องมาแทนเลยนะแล้ว ม, ม, มันจะไม่มันจะไม่พูดทำหรือคิดในด้วยจิตที่เป็นอกุศลและอเงี้ยแต่ที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ชื่นใจมันก็ชื่นใจก็ไม่ประทุสรลายตัวเองใช่ไหมก็ลองคิดดูที่ผ่านมาเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยนักศึกษาพระธรรมด้วยซ้ําไปประทุสรลายเบียดเบียนตัวเอง เบียดเบียนตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่กล่าวพระธรรมแต่กล่าวด้วยใจที่เป็นบาปคิดพระธรรมคิดด้วยใจที่เป็นบาปพูดไหม <c oughs> ถือคัมภีร์ไปเรียนธรรมะแต่ถือด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นนั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยนั่งในห้องด้วยใจที่เป็นบาปทําทำไมใช่ไหมอันนี้เราฆ่าตัวเองปัตทุสไลตัวเองเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจว่าเนี่ยที่พูดเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่าหลอกตัวเอง เพราะเป็นการเบียดเบียนเป็นสร้างปัจจุบันในเหตุที่ผิดพลาดอนาคตผลจะเสียหายเพราะที่เราได้อัตภาพมานเนี่ยมาได้มาจากบุญไม่ได้มาจากกิจที่เป็นแบบนี้เลยแต่ปัจจุบันเราลืมเนื้อลืมตัวพราะได้ดิบได้ดีแล้วลืมตัวเนี่ยไม่ดีใช่ไหมคําว่าได้ดิบได้ดีลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเรามาจากกุศลนะโยมแก้วมาจากกุศลกรรมอันนี้เป็นผลของกุศลกรรม คนลืมตัวก็ทำไมเอาผลของกุศลกรรมมาทําอกุศลรกรรมแล้วเนี่ยนะก็เตือนตัวเองอย่างเงี้ย เ, เราลืมตัวหมวันเนี้ยเราลืมตัวไปใช่ไหมก็ตรงเนี้ยผวังเนี่ยนะผวังตัวเนี้ยที่ได้มากระแสของกรรมมาสรูปสรุปก็คือขันห้าเนี่ยนะที่เป็นกระแสลงสู่ผวังแต่ละขณะที่รักษากระแสของพบอยู่เนี่ยผวะตัวเนี้ยมันเป็นผลของกุศล เป็นผลของกุศลใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเป็นผลของกุศลแล้วเนี่ยก็แปลว่าเราได้บ้านหลังเนี้มาจากบุญบ้านหลังนี้มาจากบุญใช่ไมเมื่อได้มาจากบุญเบ็เสร็จแล้วเหมือนเราได้สมบัติมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็บอกไว้อย่าเอาสมบัติของแม่ไปผานอย่าเผาทิ้ง อย่าพาคนไม่ดีมาเล่นการพานันในบ้านของแม่ถ้าแม่ตายไปแล้วนี่กุศลกรรมใช่ไหมที่เป็นปุญญาภิสังขารที่ให้กระแสของขันห้าและกรรมมาชลูปเนี่ยมันเป็นกุศลบ้านหลังนี้เป็นกุศลมันเป็นผลของบุญอย่าไปเชิญแขกไม่ดีขึ้นบ้านเข้าใจไหมเนี่ยพวกอย่างเนี้ย เอออย่าไปเชิญเข้ามาถ้าเขาจะขึ้นมาก็บอกเขาแม่สั่งไว้ว่าไม่ให้ต้อนรับคนแปลกหน้าใช่ไหมคนแปลกหน้าที่ไม่ดีดเขาเราียกว่านี่ไงตัวนี้ก็เข้ามาแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้านหลังเนี้รกรุงรังใช่ไหม ไม่สะอาดเขามาทำเลอะเทอะหมดแล้วก็ได้แต่จิตไม่สะอาดใช่หมพระวังก็เศร้าหมองใช่ไหมพรวังก็เศร้าหมองไปหมดแล้วตอนนี้นอนสะดุ้งหลับไม่สนิทเพราะอากุศละจิตมันเกิดมากจะหลับก็หลับยากเป็นงั้นไหมล่ะต่อไปก็ ต้องมนสิการใหม่แล้วเขาเรียกว่าใช่ไหมได้สมบัติของแม่ขายทิ้งเผาทิ้งเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยไม่รู้คุณของแม่อโอ้โหลำบากเลยอันนี้ พ, พระพุทธคำสอนตรงนี้มามาในมงคลนะเราเรียนมงคลกันแล้วก็เรียกอากาศันยูใช่ไหม ไม่รู้คุณของบุญต้องไปดูที่เป็นอย่างนี้ไม่รู้มีหรือเปล่ามงคลมีใช่ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งกรตันอยู่ถ้าถ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้คุณไงว่าจริงๆนะเราเรามาจากบุญใช่มมาจากบุญไม่รู้คุณของบุญตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้จะได้รู้สึกโอ้แล้วยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยมาสมาเรามาเป็น สาวกพทธเจ้าออใช่ไหมไม่รู้คุณของพระศาสดาโอ้ถึงนี้เสียเลยเสียอีกเยอะเลยเท่นั้นก็เอาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะไม่กล้าไม่กล้าให้จิตที่เป็นบาปแล้วแล้วอย่างนี้นะพอเช้าก็ไปสวดมนต์ทำวาดกัน เดี๋ยวก็มอบกายถวายชีวิตมอบกายถวายชีวิตใช่ <c oughs> ก็เป็นเป็นเป็นสมบัติของพระเจ้า <c oughs> อพอเป็นสมบัติของพระเจ้าเอาอแล้วเราให้บาปเกิดในสมบัติของพระเจ้าอีกแล้วอย่างเงี้ยก็โอ้ไม่คิดดิไม่ควรเลยไม่ควรตรงเีว่าไงออ่ ะ, <c oughs> อะ เบื้องต้นจริงๆก็คือต้องให้ได้มหาทาน